จุลสงครามว่าด้วยภิกษุผู้เข้าสู่จุลสงคราม 1. อนุวิชากัสะปฏิปฏัติว่าด้วยข้อปฏิบัติของภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์สอันภิกษุผู้เข้าสงครามเมื่อเข้าหาสอ์พึงเป็นผู้มีจิตยำเกรงมีจิตเสมอด้วยผ้าเช็ตุลี เข้าหาสงฆ์พึงเป็นผู้รู้จักที่นั่งรู้จักการนั่งไม่เบียดภิกษุผู้เถระไม่เบียดอาสนะภิกษุผู้อ่อนกว่าพึงนั่งอาสนะตามสมควรไม่พึงพูดเรื่องต่างๆไม่พึงพูดเรื่องดิรัชานกะกถาพึงกล่าวทำเองหรือเชื้อเชิญภิกษุรูปอื่นไม่พึงดูหมิ่นอริยะดุษณีภาพ อันภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ที่สงอนุมัติแล้วมีประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์ไม่พึงถามถึงอุปชาไม่พึงถามถึงอาจารย์ไม่พึงถามถึงสัตถิวิหาริกไม่พึงถามถึงอันเตวาสิกไม่พึงถามถึงภิกษุปูนอุปชาไม่พึงถามถึงภิกษุปูนอาจารย์ไม่พึงถามถึงชาติ ไม่พึงถามถึงชื่อไม่พึงถามถึงโคดไม่พึงถามถึงอาคมไม่พึงถามถึงชั้นแห่งตระกูลไม่พึงถามถึงชาติภูมิเพราะเหตุไรเพราะความรักหรือความชังจะพึงมีในบุคคลนั้นเมื่อมีความรักหรือความชังพึงลำเอียงเพราะความชอบบ้างพึงลำเอียงเพราะความชังบ้าง พึงลำเอียงเพราะความหลงบ้างพึงลำเอียงเพราะความกลัวบ้างอันภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์ที่สงอนุมัติแล้วมีประสงค์จะวินิจฉัยอธิกรณ์พึงเป็นผู้หนักในสงฆ์ไม่พึงเป็นผู้หนักในบุคคลพึงเป็นผู้หนักในพระสัตยธรรมไม่พึงเป็นผู้หนักในอามิตรพึงเป็นผู้ไปตามอำนาจแห่งคดี ไม่พึงเป็นผู้เห็นแก่บริษัทพึงวินิจฉัยโดยการอันควรไม่พึงวินิจฉัยโดยการไม่ควรพึงวินิจฉัยด้วยคำจริงไม่พึงวินิจฉัยด้วยคำไม่จริงพึงวินิจฉัยด้วยคำสุภาพไม่พึงวินิจฉัยด้วยคำหยาบพึงวินิจฉัยด้วยคำประกอบด้วยประโยชน์ไม่พึงวินิจฉัยด้วยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ พึงเป็นผู้เมตตาจิตวินิจฉัยไม่พึงเป็นผู้มุ่งร้ายวินิจฉัยไม่พึงเป็นผู้กระซิบที่หูไม่พึงคอยจับผิดไม่พึงขยิบตาไม่พึงเลิกคิ้วไม่พึงชเงื้อสีรษะไม่พึงทำวิการแห่งมือไม่พึงใช้มือแสดงท่าทางพึงเป็นผู้รู้จักที่นั่ง พึงเป็นผู้รู้จักการนั่งพึงนั่งบนอาสนะของตนท่อตาชั่วแอกเพ่งเนื้อความและไม่ลุกจากอาสนะไปข้างไหนไม่พึงยังการวินิจฉัยให้บกพร่องไม่พึงเสพทางผิดไม่พึงพูดสัตว์สายพึงเป็นผู้ไม่รีบด่วนไม่ผุนผันไม่ดุดัน เป็นผู้อดทนได้ต่อถ้อยคำพึงเป็นผู้มีเมตตาจิตคิดเอ็นดูเพื่อประโยชน์พึงเป็นผู้มีกรุณาขวนขวายเพื่อประโยชน์พึงเป็นผู้ไม่พูดพล่อยเป็นผู้พูดมีที่สุดพึงเป็นผู้ไม่ผูกเวรไม่ขัดเคืองพึงรู้จักตนพึงรู้จักผู้อื่นพึงสังเกตโจทย์ พึงสังเกตจําเลยพึงกำหนดรู้ผู้โจทย์ไม่เป็นธรรมพึงกำหนดรู้ผู้ถูกโจทย์ไม่เป็นธรรมพึงกำหนดรู้ผู้โจทย์เป็นธรรมพึงกำหนดรู้ผู้ถูกโจทย์เป็นธรรมพึงกำหนดข้อความพึงเปิดเผยผู้ไม่สะอาดที่สองฝ่ายกล่าวมิให้ตกหล่นไม่แซมข้อความอันเขาไม่ได้กล่าว พึงจำบทพยัญชนะอันเข้าประเด็นไว้เป็นอย่างดีสอบสวนจำเลยแล้วพึงปรับตามคำรับสารภาพโจดหรือจำเลยประมาพึงพูดเอาใจเป็นผู้ฉลาดพึงพูดปลอบพึงเป็นผู้ดุห้ามเสียพึงเป็นผู้ตรงกับผู้ประพฤติอ่อนโยนไม่พึงลำเอียงเพราะชอบไม่พึงลำเอียงเพราะชัง ไม่พึงลำเอียงเพราะหลงไม่พึงลำเอียงเพราะกลัวพึงวางตนเป็นกลางทั้งในธรรมทั้งในบุคคลก็แลภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์เมื่อวินิจฉัยอธิกรณ์ด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอนของพระศ า, าสดาเป็นที่รักที่ชอบใจที่เคารพที่สรรเสริญ แห่งสัพพมจารีทั้งหลายผู้เป็นวินยูว่าด้วยประโยชน์แห่งสูตรเป็นต้น366สสูตรเพื่อประโยชน์แก่การเทียบเคียงข้ออุปมาเพื่อประโยชน์แก่การชี้แจงเนื้อความเพื่อประโยชน์ที่จะให้เขาเข้าใจการย้อนถามเพื่อประโยชน์แก่ความดำรงอยู่การขอโอกาส เพื่อประโยชน์แก่การโจดการโจ์เพื่อประโยชน์แก่การให้จำเลยระลึกการให้ระลึกเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นผู้มีถ้อยคำอันจะพึงกล่าวความเป็นผู้มีถ้อยคำอันจะพึงกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ปิโภพอ์ปิโภพอ์เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยการวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา การพิจารณาเพื่อประโยชน์แก่การรู้ฐานะและมิใช่ฐานะการรู้ฐานะและมิใช่ฐานะเพื่อประโยชน์แก่การข่มบุคคลผู้เกอ้อยากเพื่อประโยชน์แก่การยกย่องเหล่าภิกษุมีศีลดีงามสงเพื่อประโยชน์แก่การสอดส่องและรับรองบุคคลที่สงอนุมัติแล้วตั้งอยู่ในตำแหน่งเฉพาะ ตั้งอยู่ในตําแหน่งผู้ไม่กล kl ่าวให้คลาดเคลื่อนประโยชน์แห่งวินัยเป็นต้นวินัยเพื่อประโยชน์แก่ความสำรวมความสำรวมเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนความไม่เดือดร้อนเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชความปราโมชเพื่อประโยชน์แก่ความปีติความปีติเพื่อประโยชน์แก่ปัตสัตธิ ปัป cool ตสัตธิเพื่อประโยชน์แก่ความสุขความสุขเพื่อประโยชน์แก่สมาธิสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ความรู้เห็นตามเป็นจริงความรู้เห็นตามเป็นจริงเพื่อประโยชน์แก่ความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเพื่อประโยชน์แก่ความคลายกำหนัดความคลายกำหนัดเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติวิมุตติ เพื่อประโยช weten, hitting, น like. ار, <the> ์แก่ว <sk classify and TP> ิม <mad> ุตติยานัทสนะวิมุตติยาทัทสนะเพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปริพนิพานการกล่าวมีอนุปาทานิพานนั้นเป็นประโยชน์การปรึกษามีอนุปาทานิพานนั้นเป็นประโยชน์ความเป็นปัจจัยกันมีอนุปาทานิพานนั้นเป็นประโยชน์ความเงี่ยโสดสดับ มีอนุปาทานิพานนั้นเป็นประโยชน์คือความพ้นวิเศษแห่งจิตเพราะไม่ยึดมั่นอนุโยควัดวัดในการซักถาม367เธอจงพิจารณาวัดในการซักถามอนุโลมแก่ศิกขาบทอันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ฉลาด มีพระปัญญาทรงวางไว้ตรัดไว้ดีแล้วอย่าให้เสียคติที่เป็นไปในสัมปรายภพภิกษุใดไม่รู้วัตถุวิบัติอาบัตินิทานคำต้นคำหลังสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำโดยเสมอและเป็นผู้ไม่เข้าใจอาการภิกษุผู้เช่นนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่ควรเลือก อนหนิกษุใดไม่รู้กรรมอธิกรณ์และไม่เข้าใจสมถะเป็นผู้กำหนัดขัดเครืองและหลงย่อมลำเอียงเพราะกลัวเพราะหลงไม่ฉลาดในสัญญัต์ไม่ฉลาดในการพินิษเป็นผู้ได้พักพวกไม่มีความละอายมีกรรมดำําไม่เอื้อเฟื้อภิกษุผู้เช่นนั้นเช่นนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสว่าไม่ควรเลือกภิกษุใดรู้วัตถุวิบัติอาบัตินิทานคำต้นคำหลังสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำโดยเสมอและเป็นผู้เข้าใจอาการภิกษุเช่นนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าควรเลือกอหนึ่งภิกษุใดรู้กรรม อธิกรและเข้าใจสมถะเป็นผู้ไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองและไม่หลงไม่ลำเอียงเพราะกลัวเพราะหลงฉลาดในสัญญัตฉลาดในการพินิษเป็นผู้ได้พักพวกมีความละอายมีคำขาวมีความเคารพภิกษุผู้เช่นนั้นเช่นนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าควรเลือก จุลสงครามจบหัวข้อประจำเรื่องภิกษุผู้เข้าสงฆ์ครามพึงมีจิตยำเกรงถามหนักในสงไม่หนักในบุคคลสูตรเพื่อประโยชน์แก่การเทียบเคียงวินัยเพื่ออนุเคราะห์หัวข้อตามที่กล่าวนี้มีอุดเทศอย่างเดียวกันท่านจัดไว้ ในจุะสงครามแล